เรามัวใอยู่ในานวิจัยวิที่ศาสตรอายุเราแต่และคนก็ไม่รู้ว่าเราเก็บมาเท่าไหร่และบอกตัวเองไม่ได้บอกตัวเองไม่ได้ว่าเราอายุเมาเท่าไหร่แ ต, ตายวันนี้วันหน้าปีนี้ปีหน้าที่พร่งนี้เช้าวันตอนเย็นวีนตอนกินข้าวจะเป็นเปนได้ทั้งนั้นเราจึงเป็นผู้ไม่ประมาทในการเดินทาง ว่าถ้าเราคิดว่าชีวิตมีแค่ น, นี้กล็ลำบากเดิน ม, มาสวยความสุขจากเวีนาจากความอบขุนความพอใจอยู่กับการกินการเดื่มการเครี้ยวการลิ้มการหลับการนอนไม่ใช่เราไม่เคยมีคนเนี้ยเราก็เคยมีมือคนอื่นเขาแล้วเราอาจจะมีความสุขของคนอื่นก็ได้ที่ผ่านมาแต่เราเห็นว่าอันนี้เป็นความล่าช้าของชีวิต ก็เราทําไปแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรมีอะไรดีขึ้นมาก็เท่านั้นนะวันนี้เราทําถ้าเรายังไม่ทําวันนี้สายสายไปพรุ่งนี้อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเดือนนี้เดือนหน้าโาครคภัยไข้เจ็บอาจจะปรากฏกับเราแล้วอาจจะท้อถอยเราอาจจะเลิกล้มความตั้งใจศรัทธาเราอาจจะลดน้อยภุรหน้าที่การงานทางสังคมเราอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ที่สุดก็คเราก็ไม่มีเวลา การศึกษาในปฏิบัติมันนี่จริงเราเห็น ว, ว่ามันยุ่งยากมากไว้สังขารไม่ให้ความพร้อมไม่มีมจะคิดอย่างนี้แต่ความเป็นจริงก็คือมามันตามทันนี่มัจจุมานมัน ท, ทันที่ว่าผูา้ดำเนินการดำเนินกิจกมปฏิสังขารมันมันตามทันเราก็จบกระบวนการเรียนรู้ชีวิตนี้ เหมือนนอนพีเสือ้อจริงมันต้องพีบยบินไปยนละบินไปไกลแต่มันก็บินไม่ได้มันมาถึงจังหวะหนึ่งก็ถูกคนไปยี่ทิ้งตายไปไม่มีอะไรหรือไม่มันก็เข้าไปพันตัวเองใยมันพันพันพันพันเข้านกมากินบ้างบางทีมันก็เป็นโรคไทุกข์ก่ิมีมดมีแมงกัดกิน กำลังพันตัวเองกพันยี้เพื่อใะไรเพื่อเจออกเป็นตัวในวงจรของชีวิตของของดับแด้นี่มันต้องออกปีกบินไปเป็นปีเสือ้อไปไกลแต่มันก็บินไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะตายเสียในระหวา่งหวางงประวัติอยู่ฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยมันสามารถก้าวไปสู่ความอิสระเสีีสู่นิพนธ์สู่อะไรได้แต่เราก็มาจมอยู่ระหวา่างสั กินความสุขความสบายนอนเพลิดเพลินอยู่กับผูปเลิกกินเสียงมีกความสุขสนานความพอกพอใจอยู่ในระหว่างแล้วก็ก้าวไปไม่ได้ทั้งที่เราบอกชีวิตทุกชีวิตมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ในการ พ, นพ้นทุกมีสิทธิ์ในการดับทุกแต่เราก็แบบไม่ได้เพราะมันจมอยู่ในอารมณ์ใด อ, อารมณ์หนึ่งคนไหนมีอะไรก็ติดอย่านั้น มีทีวีมีโทรทัศน์มีรถยนต์มีบ้านหลังใหญ่ๆตัวโตสวยๆมีรถคันางๆมีอะไรใจก็คล่องอยู่ตอดนั้นมีเสื้อผ้าชุดเต็มเนื่อเต็มตัวมีเงินมีทองมีข้าวมีของเรื่องมีความสะดวกสบายอะไรล้วจะหลงแต่ไม่รู้จักว่าผีเสื้อตัวนี้มันต้องโบยบินไปมัต้องออกปีกบินไปท้องฟ้ากว้างให่ไา ในสุดนกกุมานจิกซดมารจิกซะบาจทีมันก็จิกในปอดออกมาไม่ได้ตายอยู่ในระหว่างที่เป็นดักแน่บางตัวไม่ได้เป็นดักแนก่แต่เขาได้ซ้ไปตายก่อนเราจะเป็นประเภทไหนชีวิตนี่เกิดมาเราไม่รู้จักรู้จักึจกจับฟืน้นไม่รจับอดจับทนจับสู้ชีวิตเราก็ได้แค่นี้ แลชีวิตที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วมันได้แค่ไหนเ่ยยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของชีวิตเราทุกคนในที่นี้น่าจะผ่านมาแล้วนะสวยก็สวยที่สุดผ่านมาแล้วเดี๋ยวนี้มันซวยใชแล้วสวยคมันแหลงไปแล้วมันน่อไม้นี่มันจะจบและหนุ่มก็นุ่มที่สุดก็ผ่านไปแล้วยุคที่มีความสุขที่สุดเป็นชีวิตเนี่ยสะดวกสบายที่สุดผ่านไปแล้ว พ่อแม่ดูเลยอุปถัมภ์อุปถาัมภ์ยังดูแต่บางคนคนบางนาะขอพึ่งตัวเองมาตลอดพ่อแม่ไม่ได้ดูแลยเอาใจใส่แต่ก็ฟื้นด้วยลำแข้งด้วยตั ว, อตวเองช่วงหนึ่งอาจะมีความสุขแล้วผ่านไปแล้วทางโลกนะพูดถึงทางโลกตอนนี้มันเกิเป็นเรื่องของที่คิดว่าเราจะไปเสวยสุขอีกเนี่ยไม่แม้ใจะใช่แล้วตอนนี้มันเป็นเรื่องของการรับภาระภูมิหน้าที่การงานละ เรื่องนั้นเรื่องนี้ภารุณะนาทีกันนะลืงตาคว่ำๆโยมมองไกลๆหายใจยาวๆเทวดากับพระเนี่ยใครจะเป็นคนวิเศษกว่ากันเทวดานี่ก็ก ล, าล่าวว่าถ้ามีจริงนะมงตาก็เป็นพระนี่ปัศนามะไอเทวดาทั้งหลายปิดตาไอพวกหลักยี่หรอยหลับเอหลับเอา แสดงว่าเทวดาไม่มีไม่กล้ามาบิดคุณดวงตาก็ความมองไกลตอนนี้เท่าไหร่นะเนี่ยปีห้าลนะ20สนาทีแล้วสร้างตัวเองแ้เมื่อกี้เทปหลวงพ่อท่านพูดปี 3-5 หยตอนนั้นฟังหลวงตาไม่ไ่ายหตาไม่ถ่าท่านพูด พูดถึงเรื่องมือลัมือกับเท้ารางเทาท่านสอนท่นว่าเป็นสิ่งจะมาลงขลงอบวเลยออกความจริ ง, ถ, งถ้าพูดถึงเรื่องการเจริญสติเรื่องอารมณ์กรรมฐ า, านอารมณ์กรรมฐ า, านคือเส้นทางของอริยมรรคมาเลยมาเริ่มเมื่อจิตเราโผล่เราโล่งจิตมันโล่งมันโผ่งเมื่อไหร่นั่นแหละเพราะนั้นแหละแสดงว่าจิตเราเข้าเส้นทาง เมื่อไหร่ที่เรากำลังกำลังหนดรู้กาลังดูอยู่เขาเรียกว่าเสียขเียกวเป็นนักศึกษาชีวิตเสีับบุคคลนักบิเดางคนกเป็นโซดาบอนอย่างงคนนะเสีับบุคคลก็คือบุคคลที่กำลังศึกษาคนที่กำลังกำหนดรู้ทุกเป็นเสียตั้งแต่คนที่กำลังศึกษากำลังเรียนรู้เต็นม่ใช่อ่านตำหรับตำรานะ แ้าไปเรียนหนังสือเรียนคำพี์นะี่ยไม่ใช่อ้ น, นี้จบพระไตรปิฎกก็ยังไม่ที่ว่าเป็นนักศึกษาตามแนวควมสอนของผู้นิพศานเซคับบุคคลชื่อหมายถึงบุคคลที่มาเฝ้าดูใจตัวเองเป็นมีสติมีระลึกมีสติมีการระลึกรู้มีการเฝ้าดูรละลึกรู้อารมณ์แล้ใคจะดึงมันออกมาเนี่ยระลึกรู้นี่คือ มัน ก, กระตายเลื่ลึกรู้เลลึกรู้ดึงดึงอารมณ์อะไปอะไรเกิดขึ้นดึงมันออกมาเลอลึกออกมาเลื่นลึกออกมาเลื่ลึกรู้ไม่ใช่เลลึกรู้อดีตอะไรนะแต่เลืลึกรู้ปัจจุบันนะี่แหละให้มันอยู่กับปัจจุบันมีปัจจุบันมัอนการตกเบ็ดเหยื่อปลามากินเหยื่ออีกคือ เ, เรืลึกรู้ไปเรื่อยเสติมันก็จะต่อเนื่องขึ้นต่อเนื่องขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสติสัมปชัญญะ เมื่อไรที่มันมีความต่อเรื่องมันโปง่งมันโล่งเมื่อก่อนมันติดอันนี้ติดความง่วงความงอ ค, ความเบื่อความคิดเนี่ยมันติดอารมณ์ไปแล้วก็ฝาอารมณ์พวกนี้ไปให้ได้มันกจะเริ่มหลุดไปหลุดไปหลุดไปขณะที่มันกําลังฟันฝ่ากําลังจะเรียนรู้อั น, นี้กำลังจะดันตัวเองขึ้นสู่เส้นทางที่เขาเรียกว่ามักแปมักแปะมักแปะ ว่าแปดคือสัมมาทิฏฐิตคือการเห็นความคิดตัวเองเห็นกายเห็นจิตตัวเองกายกับจิตมันไม่อยู่ด้วยกันนแล้วก็เริ่มําหนดรู้ไปสำรวดรู้กายจับวิธีการนี่จะเริ่มเห็นตัวความคิดที่มันเข้ามายุ่งกับจิตเราเริ่มตัดเริ่มทอนเริ่มหันเริ่มบันตัวตัวหว่วงตัวเงาตัวคิดตัวม่วงกับตัวคิด เอาให้มันละเอียดสองงันนี้นมันก็ออกไปเพราะว่าไปแล้วจิตมันก็โล่งก็ปลงขึ้นมามันล่งมาโปรงนั่นแหละเขาเรียกว่ารู้จักเส้นทางละอันนั้นเส้นทางอยู่ตรงนั้นชื่อเส้นทางแล้วอาจจะเป็นเส้นทางประเภทไหนเนี่ยเส้นทางเขาเดิอนอยู่ในป่าเส้นทางแบบโจงกลมนี่แหละยังไม่ใช่ไฮวีไม่ใช่อะไรนั่นแหละพอไปจะไปเจอลูกหลั ง, งนี่ ออกจากคนเดินเป็นลูกลังลูกลังหน่อยๆก็บางทีไปเือทางเกวียนทางเกวียนก็เป็นลูกลังลูกลังขยับขึ้นไปืไปเจอทางลาดยางลาดยางเสร็จพวกเอ้าขึ้นไปควงกีดแก็ดีเนี่ยแต่ทีนี้เขาเริ่มหยุดแนะเนาะพูดถึงทางโลกเนะทางควงกีดเนี่เขาจะหยุดไม่ค่อยน่าสใจเพราะเวลาขี่รถก็มือึกดึกดึกดึกขี่ไม่เหมือนลาดยางนะที่เส้นทางแบบ สมาธิสภาพสมาคือมันมีข้อต่อมะนะันนาฏยาเองทางปูนนี่ที่มันมันก็เสียงดังเขาก็เลยว่าไม่มคนแฮปเสดานเลยนายา ย, ยาวๆเลยจะดีลืมตากว้างๆลืมตากว้างลืมต า, างมองไกลๆถ้าเป็นพระเป็นม่ชีนสามาจะานได้อายุรูปชลืตากว้าง ถ้ารู้จากเส้นทางเส้นทางเดินก็ไม่ไหวเความว่ามันจะเดินเส้นทางนั้นไดนะ้มันตกออกมานอกเส้นทางนะมาคนเผลอหน่อเดียวพอลบสายตามาหน่อเดี๋ยวในเส้นทางนั้นลบขึ้นม า, าทันทีเลยนู่นความคิดใหม่เราตั้งเยอะ้เยเมื่อกี้ก็ได้อารมณ์ถ้าบอกพูดถึงเมื่อกี้นะ่ะคือได้อารมณ์ได้อารมณ์คือจิตมันเข้าสินเส้นทางนะเลยแล้วก็ ตัดน้ำตัดความตัดโน่นตันี้ออกได้หมดเนี่ยมันเรื่องที่งเงามันโล่มันโปร ม, มันเบามันสบายเลยนะจิตเข้าสู่เส้นทางผู้ใดเข้าสู่เส้นทางของนั้นเรียกว่าเป็นมัดเราเดินในเส้นทางที่เป็นอริยมัด น, น, นะนะพยายามจเจริญสติทีเนี้ยเดินหน้าไปพอรู้จักเส้นทางเดินขี่ตัวรู้นี่นะขี่ตัวจิตนี่มันต้องอยู่ของตัวรู้ แลลึกรู้ไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆจนทั่งว่ามันทะลุไปสู่มันถึงเป้าหมายในต้นต้นขั้นแรกนี่เขาเรียกว่าเป็นผลบางคนเห็นเส้นทางแวบหนึ่งหายจ้อยเส้นทางก็ไปไหินน้วลองหาก็ไม่เจอนะเดินหน้ากวแล้วถอยล้างกวแล้วทางไปทางไหนดีบางทีนอกจากทางข้างในใจยังไม่เห็นนะทางข้างนอกก็โตกออกนอกเส้นทางอีกเดินที่ผ้มลุดเข้าป่าไผ่ก็มี แต่ว่าจะเส้นทางอะไรไรัข้างนอกก็ลำบากนะนั่นกระดูมันนี่เป็นเส้นทางมันจะไม่มีอารมณ์มันไม่มีอารมณ์แต่ว่ามันจะขับสบายลบทันเนียขับจิตเนี่ยวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องแยกลำบาบไปถึงจะได้สินค้ามา สติเป็นแหงเสือต่อสติเป็นหนังสือตัว ส, สตวสิคือตัวรู้นี่รลลึกรู้ไว้เห็นมาหลอกไปทางนั้นทางนี้สติวิทยาปัญญาสมาธิอะไรอย่เงยประคองเอาตัวสติเป็นตัวประคองมาเดินหน้าไปเรื่อยๆเห็นความคิดเห็นความหมกมีดความง่วงความงาตัดออกตัดออกแล้วในนี้สุขก็อย่างที่ว่าน่ะตกมาสู่เส้นทางลงู่ลวงผุงนี้แหละเราเรียกว่าเส้นทางทางจิตอะไ น, นี่ยมัคคิจอะไรเนี่ย มัคคิตมัคคยานจะไปตอนนี้จะไอ้ง่วงไอเงาไอเสรืองเสลือยั ง, งไม่ใช่หรือบางทีเรานัง่งเฉยกสย็สบายไอสบายเนี่ยมันยังไม่ใช่สบายแบบมีสติเป็นตัวประคองนะเดี๋ยวมันก็หลุดไปสติที่ได้จะต้องได้ในลักษณะนิ่งก็ได้เคลื่อนไหวก็ได้ต้องอยู่ปกติให้ได้ทุ ก, ทกๆกระบวนการ ไม่ใช่ว่านิ่งนะรู้สึกว่าสงบดีขยับหน่อยหลุดไปแล้วเองโอ้ยรถมันขับไม่ดีขยับหน่อยตกออกนอกขอบไปไทางนี้จะต้องเป็นทางเส้นทางสายใหญ่สายใหม่นะขยับยังไงหายใจยังไงตีร่างกายยังไงมันก็มันก็อยู่ปกติได้อยู่ต่อขนาดนั้นมันถึงจะไม่ตกออกนอกขอบชีวิตเนี่ยนั้นสติเป็นหังเสือทังเสือเรือหางเสือชีวิต มาอ่านหนังสือลด่เหมือนที่ชอบนะอาจารย์มหาวิราชของวัดยานวาท่านพูดถึงเรื่องผู้นี้เนี่ยเรื่องหนังสือชีวิตเรื่องสมัยโนี้โน้นเนี่ปี2526ท่านเป็นคนที่แต่งหนังสือดีจบพ .9 หนังสือระดรับได้รับมุ่งทุนได้รับ เขประกวดกับม th ูลนิธิของธนาคารอุทศไว้ท่านจะได้รางวัลอเ่วลาอ่านแล้วก็ใจชื้นใจดีเขาเขียนเรื่องความจริงของชีวิตเราอ่านเราไม่ต้องรุงแต่งนะใจมันสบายใจมันดีวเส้นทางเป็นนี้เนาะชีวิตนีแต่ว่ามันไม่ได้แสวงหาแต่อ่านหนังสือหนังสือก็ใจมันชื้นมันชุ่มมันดีเราทั้งหลายก็เหมือนกันน่ะทีาก็พยายามัดันให้จิตมันเข้าสู่เส้นทางให้ได้ พอเส้นทางแล้วไปทางไหนเนี่ยไม่ต้องมาถามไปทางไหนนอนไปตามทางมันนั่นแหละพอทางมันไปไหนแบบพอขึ้นปุ๊บทางนี้มันเป็นทางสายเดียวไปไม่เลี้ยวกับนะมันไม่ได้เป็นเหมือนทางทางโลกในทางทังโลกไปทางนั้นไปทางอยหลายทางจังนะเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่นานอุตรดิตถ์พิษณุโลกลุมักโอ้ยมากมายเหลือเกิน แต่เส้นทางทางจิตเนี่ยทางลง่ๆปกล ง, ลงมันไปทางเดียวอีกายกรรมมัดไปทางเดียวพระจับปัจจุบันไน้ณะนี้น่ะมันอยู่กับปัจจุบันมันก็ไปไหลไปดูรธรรมชาติมันต้องไม่สเสแสรงหาไม่ต้องถามว่าไปทางไหนเพียนแต่ว่าอย่าไปติดอยู่กอะไรสักอย่างถ้าติดอยู่ก็สงบอ้าวเป็นสมถสะสละอย่าไปติดอยู่ความสงบแต่ให้มันดูใจปฏิบัติทํานี่มาดู ถ้าดูอยู่เรืรู้สึกตัว <ๆ S 1> เรื่ยแสดงว่าเราไม่ได้ติดสงบแล้วไม่เป็นสมถะสมถะคือการไม่รู้สึกตัวนั่นแหละไม่รับรู้อะไรสักอย่างรู้แต่ว่านิ่งสบายอยู่นั่นแหนะ <ๆ S 1> นี่ไม่ให้มันสบายแต่ไม่ไให้มันทุกข์คือดูอารมณ์ตัวเองจากปัจจุบันที่เฉยแล้วดูดูราคะโทสะโมหะดูใจตัวเองให้มันต่อเนื่องให้มันเห็นนี่คิดแล้วนี่ไม่คิดไหมเนี่ย อารมณอะไรเกิดขึ้นมาดูมันอะไรดูมันถ้าดูอยู่นี้เป็นสัมพิปปัสนาเขาเรียกว่าจิตตาวิจิตานุปัสนาการระลึกรู้การตามรู้ตามดูจิตตัวเอง <S <S ไม่ต้องไปตามมาแล้วก็คิดก็คือดูมันเฉยเฉยยูเฉยเฉยเนี่ยแล้วดูมันอะไรเกิดขึ้นก็ดูมันดูอยู่กับปัจจุบันนั่นะไม่ใช่ไปตามดูคิดเนาะคิดเนาะไปมันเป็นอนี้นดูตามไปไม่ต้องไปตามอนุปัสนาคือระลึกหลัวอยู่กับปัจจุบันนั่นะ ดูเฉยถ้าเรื้อร้อรู้อยู่อย่างนี้ได้แต่แสดงว่าจิตเราเข้าสูงมากเข้าสูงเส้นทางแล้วบางคนตั้งแต่เข้าสูงเส้นทางตั้งแต่ได้อารมณ์วันแรกนะก็อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาดูได้แบบต่อเนื่องเลยโอ้ได้อารมณ์วันแรกก็ได้อารมณ์ตลอดเจวันเนี่ยเดินไปหน้าเรื่อยๆเห็นนั่นเีอะไรเกิดขึ้นเลยระหว่างทางขณะที่ก็เดินไป อย่าเช่นอารมณ์ตัวแรกจะเป็นอะไรพวกสังโยชน์เบื้องต้นเนี่ยขยับไปก็เป็นความโลภความโกรธความหลงมันเกิดยังไงดับยังไงนี่ยที่เรื่องใ น, นวิธีการของพระเทียนเบื้องต้นก็คือรู้จักรูปนา ม, มต่อมาก็เริ่มรู้จักรูปโลกนามโลกรูปธรรมนามธรรมรู้จักอนิจจังทุกขังนาตารู้จักสมมติเนี่ยรู้จักศาสนารู้จักพุทธศาสนารู้จักบาปจักปุณ รู้จักนรกรู้จักสวรรค์ทางความเป็นจริงที่มันปรากฏเกิดขึ้นเห็นข้างในใจนี่นะแล้วก็เห็นขันห้าตามความเป็นจริงอาการก็ขันห้าขันห้าที่มันไม่ทุกข์รูปขันที่บริสุทธิ์เป็นยังไงเวทนาสัญญาขันสังขารขันวิงยันขันที่มนบริสุทธิ์เป็นเห็นมันชัดไม่มีการพรุงแต่งเข้าไปเขาเรียกว่ากายเอกรูป ก็มีศินทำมาปกติมีเวทนาก็มีศินสัญญามีศิลสังขารมีศินปัญญามีศิลเรียกว่าสินละครเวทนาก็เหมือนกันนะเวทนาก็มีสัญญาสังขารวิญญาณมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีสมาธิขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้ามีปัญญาขันเข้าไปอยู่ในนั้นคืออะไรกระทบก็เห็นเข้าใจตามความเพีงก็ปล่อยวาง ศีลตัวเนี้ยจะเริ่มเป็นตัวทําหน้าที่ในการดักทุกแหละที่เนี้ยม่เขาเรียกว่ามีศีลเในการทําลายกิเลสศีลประเภทนี้เขาเรียกว่าอธิศีลสิกขาอธิศีลสิกขาไม่ใช่ศีลธรรมดาไม่ใช่จุลศีลหาสีลมัิตศีลอะแต่เป็นอธิศีลสิกขาอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเป็นสภาวะอันคือเป็นเป็นศัพท์เป็นคําพูด ที่เขาเามากล่าวถึงสภาพทำอาการต่างๆที่ปรากฏในใจเราใหเราเห็นทีนี้พอมันทําลายได้ความที่เป็นความโลภความโกรธความหลงมันเบาบางลงศีลมันก็ปรากฏเกิดขึ้นพอปรากฏเกิดขึ้นมันชัดขึ้นชัดขึ้นเนี่ยมันก็จะทุจักปตรปตระมาทประมาทคมันตั้งมันถ้าพูดถึงเรื่องอารมณ์ก็คือสมาธิที่ ตอเนื่องก่อนที่มันจะสู่ความเป็นอุเบกขาคนะือปฏิบัติธรรมนี้แค่มันเป็นรอบเดียวเนี่ยถ้ารู้แจ้งชัดจริงๆเนี่ยมันก็เป็นมรรคเป็นผลได้ในตัวเองเพียงแค่ว่าทใหมมันชัดๆให้มันรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องไม่ใช่ได้อารมณ์แว บ, บหนึ่งไอเหมือนแสงหิ่งห้อ ย, น, ยนะแวบบไปแล้วมางว น, นี่เป็นยังไงบ้างได้อารมณ์แวบเดียว S 1> <S 1> <S สะสมไปเทียนน้อยเลยนะก็ไม่เป็นไรก็ยังดีได้ได้อารมณ์นิดเดียวนเลยนะวันนี้ได้เป็นไงได้สองนิดตอนตีละครังทีแรกกับยกเยสุดท้ายนั่นแหละแก้งรู้สึกตัวหน่อยหนึ่งงอน้นก็บรรุนแางหมดวันเอาจจะดียังมีการต่อสู้บ้างคนอื่นเขายังไม่สู้เลยเราก็ยังมาสู้มาอดมาทน <şimdi>. <S <S ชีวิตของพวกเธอเป็นชีวิตที่ดีมากนะ ขณะมีการมีงานมีธุระหน้าที่อะไร ย, ยังไม่มีโอกาสได้ศึกษาชีวิตยังได้เรียนรู้ยังไดปฏิบัติธรรมก็ถือว่าดีอ่ะในกี่คนเนี่ยหลายคนครอบครัวเราพ่อแม่พี่น้องสา ม, มีปัญญาเราก็จะมีโอกาสได้ทําแบบเนี้ยเราถือว่าเก่งแล้วเก่ง้ที่ได้ทำเนี่ยคือมันต้องมีสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นหรือในระดับหนึ่งแะที่มันมาทำ พอทำก็เห็นใจเห็นจิตในสัมาธิฏฐิในเบื้องกลางนะนี่ในเบื้องต้นคือเห็นเห็นว่าเออนรกมีจริงสวรรค์มีจริงแต่แล้วเกิดอะไรประมาณนั้นับเห็นว่ามีนมีบาบมีบุญมีเป็นสมาธิฏฐิในเบื้องต้นสมาธิฏฐิเบื้องกลางนี่สมาธิฏฐิในภาวนานี่คือการเห็นกายเวทนาจิตธรรมเห็นกายเวทนาจิตธรรมตามความเป็นจริงเนี่ยสัมาทิฏฐิในเบื้องกลางนะนี่แล้วทีนี้ สมา ธ, ธิในเบื้องท้ายปริโยสานกระยานั้นคือการเห็นอริยสัจทิฏฐิติตสมุบาท็นจิตที่เข้าสู่ความเป็นมรรคเป็นผลในระดับต่างๆนั่นแหละเรียกว่าสมาธิธเบื้องปลายก็เกิดจากการเห็นนัและการลลึกรู้การอยู่กับปัจจุบัน รู้จักรูปนามรู้จักตายลเลยลึกรู้เห็นกายในกายเห็นกายในกายคือเห็นอาการกายนี่นะที่เราเคลื่อนไหวเห็นภาวะที่มันมันไม่ทุกข์เน่ยที่เราเห็นแลบีแต่ทุกข์กับทุกข์รางกายนี่แต่พอเห็นด้วยสติปัญญานีเห็นแบบปล่อยวางโหมีกายประเภทนี่เนาะที่มันไม่ทุกข์กายที่มันเป็นธรรมเรียกว่าธรรมะกลาเราไม่ไทุกข์ต่อสิ่งยิงปรากฏขึ้นใจมสีสบายสบาย การถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้เป็นหนี้ะมันมันไม่หนักนะมันเบาสบายนะมันโล่งมันโปร่งเห็นกายเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นรูปนาำเห็นรูปน้ำก็อย่างดีทั้งว่านะมันก็จะเกิดการการลึกรู้ในส่วนที่จิตมันจะเริ่มสติโยกายเนี่ยมันจะเห็นจิตไปด้วยดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นอารมณ์เห็นธรรม ดูกายเห็นจิตมีความคิดเห็นธรรมดูกายเห็นจิตจิตที่มันไปสะสมอารมณ์อะไรมาตั้งแต่ เ, เกิดมาสะสมเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปติดไปรักคนนั้นไปชังคนนี้มีปัญหาไอโ้นอะนีม่มันจะมาติดอารมณ์อยู่ในใจแล้วโกรธใครมากๆเกลียดใครมากๆชังใครมากๆเนี่ยเราประทับใจเรื่องไหนด้วยความโกรธด้วยความชังในอดีตที่มันติดมากๆเนี่ยเวลารู้ลูกนาม มันจะสลายอารมณ์นั้นออกไปจากใจคือมันมันเป็นเปลือกที่ห่อหุ้มจิตอย่างหนึ่งทางโลกเขาถือว่ามีความสุขนะเปลือกอันนี้รู้สึกมาห่อเหมือนันชีวิตเราเราเอาเสื้อผ้าเอาโน่นี่มาห่อเข้าไปมันมีความสุขนะแต่นี่แหละมันทําให้เกิดเชื้อโรคนะเราไม่ซักไม่ทําให้มันสะอาดสัทีมันก็เกิดโรคไปทุกเจ็บทุกมาชีวิตกบคล้ายๆแบบนั้นเราเอาอารมณ์พวนมาห่อหุ้มจิตเราทีนี้วันวันหนึ่งนะเราก็คิดเรื่องพวกนี้แหละมันออกมามันทําให้เกิดกลิ่น มันหารที่มันบูดมันเน่ามันจะไหลออกมาแล้วก็มันเห็นหองยิ้มหัวเราะสนุกสนานเพลิดเพลินคิดถึงคนนั้นคนนี้ตามที่ตามที่มันเป็นเปลือกที่ห่อหุ้มในอดีตที่มันมันขุมเราไว้แต่เวลาปฏิบัติธรรมรู้รูกนาำมันจะสลายเปลือกพนี้เหมือนกับเราที่ลุงตาเสยพูดไปวันก่อนว่าเรามาอบรมจิตเนี่ยพออบรมจิตเปลือกพวกนี้มันจะแห้งเหนี่ยวแล้วมันกระเทาะเปลือกพวกนี้ออกชีวิต แล้วมันก็จะหายไปมันก็ดับไปมันก็ไม่มีเขาถึงเรียกว่าปกเพนิวาสานุสติญาณที่พูดเมื่อกี้นั่นแะปกเพแปลว่าการก่อนนิวาดก็แปลว่าที่อยู่อนุสติก็คือตามระลึกรู้ตามเห็นระลึกรู้แปลว่าหรือเห็น mm. เห็นจิตที่มันสร้างลวงสร้างรังสร้างที่อยู่ที่อาศัยในการก่อด น, นะการก่อนก่อนที่จะมีวันนี้นะ่ะ มันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันฟังอยู่เท่าไหนมันอยู่ยังไงเนี่ยมันจะเรืลึกรู้ภาว่าอันนั้นระจับที่ท่านว่าเนะี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่เราจําความได้มันไปซับเอาตรงไหนอะไรอย่างไงี่มันจะผุดออกมาผุดออกมาแต่ไม่ได้หมายถึงว่าตั้งแต่ชาติปางก่อนแบบข้ามพบข้ามชาติไปโน้นนะพบชาติในพูทศาสนาเนี่ยก็หมายถึงความคิดขณะหนึ่งๆเนี่ย ที่มันแวบขึ้นมาเนี่มันเป็นพบพบหนึ่งเมือคนบ้านเวลาเราไปคุยกับเขานี่ยเขาจะพูดอีภาษาหนึ่งคือมันมันมีเรื่องในใจเขาเราคุยเรื่องนี้เขาก็คุยเรื่องที่เขาคิดอยู่ในใจคือมันเป็นเมืองของเขาเป็นเรื่องของเขาชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นน่ะเราเราชอบพูดว่าโลกของมันโลกของไอ้บ้า น, นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละโลกของเราก็เป็นอย่างนั้นไปยุ่งกูคือโลกโลกหนึ่งของเขามันเป็นแบบนั้น เราปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราไปพูดธรรมะกับนักธุรกิจเนี่ยนักธุรกิจมันไม่พูดไปตามไม้ธรรมะเนี่ยมันว่าเอ้พวกนี้บ้าธรรมะ <S <S มเราก็ว่าพวกนี้บ้าธุรกิจนั้นโลกของใครโลกของมัน <S <S มโลกของมันโลกหมายถึงความทุกข์โลกหมายถึงจิตอุโนโลโกโลกคือจิตนี้ท่องอยู่เป็นนิดสติโตอติตโต ไม่รู้จะอิ่มไม่รู้จะปวดเตี้ยส์อยู่อย่างนั้นน่ยตัณหาทาโศตก็นธาตุของตัณหาทำมุทมเทศของพระเจ้าโกร ย, นะย์ยะนีพระมหาิธีะนั้แสดงทรรนี้สั่ ง, ไ ม, มงไม่มีใครเป็นอนัพิสุโไม่มีใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยคนนั้นบอกว่าผู้ใหญ่ระดับนั้นใหญ่เล่นั้นว่าอนัพพิสุไม่มีใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่หญมหญไม่มีอะไรเป็นของตนทุกอย่างเกิดมาแล้วจําต้องทิ้สิ่งทั้งพวงแล้วต้องไป ไหลไปสู่ความตายหงือไหลกลับ ม, มาสู่ความปกติอยู่เรื่อยๆเราได้อะไรก็เหมือนกันนะมีมากมอยหลากหลายใจเราต้องวางวางมันจริงจะนอนหลับวางมันจริงจะสบายแต่พอตื่นนอนแล้วเอาคิดไปอีกแล้วไอ้เรื่องเก่าหนให้ลดกูไปไห น, น เ, เงินกูไปไหนทองกูไปไหนสมัยหนูตามีเงินเท่ไหรนะสามสี่ร้ยบาทเ อ, นอ ง, ทงนะไปทุลรรงรวมถวายมา มันก็อยู่ในในยามแต่จะไปบินในป่บบาก็เลยพายย่ามไปหนักหนักเงินเนียคนถวายมาทีละห้าบาทสิบาทนี่คิดว่าถ้าจะวางไว้ในป่าก็กลัวพวกหาเหตุมาก็จะเก็บได้เงินนยก็ลําบากถึงจะเดินทางไปที่โน่นที่นี่นะก็ลาบากเนะียน่าดูถ้ามีเงินก็ยังช่วยหน่อหรือบางทีมันไม่มีอาหารกินน่าจะซื้อปลากระป๋องนะนมกระป๋องมาดูดมาเลย พอจะได้เวลามันหิน้งคร่อั่งเพร่อเอามาต้มใส่บาตมันก็คิดอยู่น่ น, น่ะไอ้สงทายไปทายไปมันทายกลับบาทีมนก็ดังกองแกงกองแกงเวลาเดินจะมทีนี้เดินไปเดินมาด้วไม่ได้อารมณ์บางีก็ไม่ได้อารมณ์ทำไงมันับเงินดูเท่าไหร่แล้วกูจะบ้าตายนับเงินเหนรียญฝังเงินใบฝังดพิ่วางไว้ได้เท่านี้แล้วนะ มานที่ก็มาเลียงดูรูปกาคุดมีเท่าไหร่แล้วมีรูปรวงข้าวพระเจ้าไปดินแรกนาะขวัญได้เท่าไหร่เอาอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่ไปหน้ามาหลังนะ่ะปฏิบัติทรรกูพ่คิดได้วันหนึ่งนะเท <c oughs> ่านั้นไม่มีอะไรก็ได้ตัดชิ้นจแจวเอาไปให้โยมตัวบินทบาทมแหละเฮ้กุ้มใจเรื่องเองินโยงเวอร์เอาไปหน่ยเถอะนี่แต่รักษาอย่างนี้ทีแรกก็คิดนานนะกว่าจะให้นยะ นี่ถ้ให้ไปวันหนา้าผู้อยา ก, กลับบ้านผูไปขอตังกี้จะให้คืนหรือปังเนี่ข้ารถโยมไว้อยากกลับบ้านทำยังไงที่ไปว่าไม่คิดอะไรละให้ไม่ให้กระชัางไหมโยมอาตมาเอาปัใจเจกให้โยมนะยังไม่ไหวนะั่นบอกว่าซื้อของมาใส่บาทนะครับ <c oughs> ไม่พูดนะว่าแล้วแต่จะเอาไปกูไม่ไวนะี่ว่าเขามาใส่บาทอีกขนาดไม่ดีไม่ไไมไหวงอยู่หนึ่งครึ่งหนึ่งอีกให้โยมเปน กลับมาเดินจะบอโอ้โหกูสบายใจกูสบายใจกู ส, สบายใจแล้วก็เดินก็สบายไม่มีแล้วผ่าแล้วไปตากยางไปตากไปเดินพิจารณาคุณไปองท้ายไปแล้วทีนี้สี่ร้อยกว่าบาทก็หนับพอสมควดนะส่วนมากจะเป็นเงินเหรียญนะก็ได้มาทีละน้อยน้อยก็ยยไม่น้าพระพุทธยอมีเงินมากก็ทุกมากเดี๋ยวนี้ไม่ทุกนะยมให้เป็นร้านก็ไม่ทุกนะให้ได้เลยนะ <c oughs> นปล่อยวางเป็นแล้วเดี๋ยวนี้ ไม่ทุกสบายก็ไม่ได้คิดอะไรเป็นหนี้ก็ไม่ทุกเดี๋ยวนี้เวลาสร้างวัดสร้างว่านะตัว่าลอรต้าเอาวัสดุ ก, ก่อสร้างไปก่อนเลยก็ได้เดี๋ยว น, นี้อ้าวสั่งมาสั่งม า, ส, งมาสั่งมาเป็นล้านบางทีนะลืมเขาก็ไม่กล้ามาทวงถามแล้วเอ้าเฮ้ยนึว่าข้ามีเงินเหลือสั่งก็สั่งไปเงินงั้นแบบนั เพให้เครดิตอย่าให้เกินสามล้านนะเขาว่าไ ด, ได้ได้ห้ามมาทวงนะแล้วก็บอกพระไว้ว่าถ้าสมว่าตายเนี่ยห้ามเก็บศพไว้นะเพราะเก็บศพไว้แล้วเขาตั้งตู้บริจาครอขึ้นมาบริจาคมันก็จะเป็นเอามาขายเอาไที่เผาเลยถ้าตายก็มีสัญญากทำมาห้ามมาทวงตายคือตายไปเลยจะมวุม่นว้กับกรรมการวัดนะมันก็จะลําบากกันยกไหญ่นี่แหละแต่สบายก็ไม่าดีมีปัญหาอะไร เป็นหนี่เขาเจ็ดล้านไม่ใช่น้อยนะเจ็ดล้านหรือแปดนี่แหละล้านละประมาณ 5, 6, 6สักห้าสิบหกสิบบาทเนจะ็ดล้านแปดล้านเนยะร้านรนะ้านขาของมนะันไม่ใช่เงินล้านรนะ้านละ น, น้อยๆที่ไม่ไดีเยอะก็จะ ม, มีหลอกเทวดาไปช่วยให้เด <c oughs> ี๋ยวนี้มีทุกมีทุกมีทุกเกิดเป็นหนี้คนนี้มีทุกเ ก, กิดเป็นหนี้คนนะีกกนนนนะ้แต่ก่อนอยาได้เงินนะี่ยอยาได้เงินไม่ได้ เหมือนโยมเนี่ยหาเงินนี่แล้วไม่ได้เงินนะเนี่ยหาเงินแทบตายนะเนี่ยไม่คอยได้ลงมาบวช ด, ดูดิแล้วท่านจะร่ำรวยเร <c oughs> บวชแล้วนคนนี้ก็เอาให้คนนี้ก็าให้โอ้สบายมานี่ก็คนมาสง่งจะไปนี่ก็มีคนไปสง่งข้าวพวกเธอเลยเขามาให้กินเนี่ยสบายมีขนาดเป็นนักบวชสมัครเล่นแล้วนะพวกเธอยังสบายขนาดนี้ตื่นมานตื่นเจ้าเขาเคาะค้างไม่ไม่ไมพอตื่นมาเห็นไหมนี่ใครปูที่นั่งให้เธอนั่งเนี่ยอืม โอ้ยมีตัวอะไีนึงพร ะ, ะนะเธอเขากหาหนั่งเนาะไดนยิงมาพบเนยรู้สว่าพระปูนั่งไนหะวซะหน่อยไหวที่นั่งโอ้ยขอบปูนหลวงพ่อด้ว ย, ยังเห็นนูเป็นบาปด้วยแล้วก็ค่อยเข้านั่งมานี่นั่งยืดหลับจ่อยนะกินทั้งขึ้นทั้งร่องนะพระลงนี่เขาตื่นตึกลุกเช้าพูสายปูเสือพระบ้างคุณ พ, พ, พี่ศิษย์บ้างประมาณนั้นนะ คนที่อยู่ไกลก็ยากที่ละารือคิดถึงจะเดินไปดีไม่ร้อมันร้อนมันหนาวขนาดนี้คิดมันมีอะไรก็ห่วงกันนั่นชีวิตเนี่ยจิตมันไปฝังอะไรไว้แหะเรื่องนั้นเรื่องนี้ปฏิบัติทำก็สลาย น, นั้นออกไปครับถ้ามันเกิดอนนี้นะเกิดรู้ลูกนามแนละสติอยู่กับตัวเองมันคงแบบแบบสติที่มันเป็นเองแบบรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยมันจะทําลายอดีต อุปทานที่เกิดกับอดีตนะความยึดติดในอดีตเนี่ยมันจะสลายไปโมอตาแต่ก่อนนึกถึงเรื่องหนึ่งนะเคยฆ่าเมียเรียกว่าแต่ฆ่าเมียแต่ฆ่าคนก็เคยได้โมงโงเงาเงานี่ระวังฟาดกระโจนไปนะเนี่ยลื่อตากว้างๆคือแต่ก่อนเนี่ยไม่ไม่ได้ตั้งใจฆ่าหรอกสมัยเป็นเด็กเนี่ยมัน เล่นดีดยางนะดูจากยางเนาะยางวงดีดไปดีดมามันมาเดินเพ่นพ่านอยู่เรื่อยนั่นเลยอารมณ์เสียกับเด็กเขาเลยจับโยนไปแล้วไปถูกไม้เนตายเลยคนระับสมัยก่อนทำสมาธิแมวตัวนี้โผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยเขาไม่ได้ตั้งใจนะตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ไม่รู้อะไรนี่เขาต้องสนุกมันโผล่มามันแวบมาเดี๋ยวก็แวบมาม สมัยไม่รู้ลูกน้ำแต่พอรู้ลูกน้ำแล้วเสร็จเลยแมวตัวนี้ไม่กล้ามาเลยค <c oughs> ือมันไม่ได้ฝังอยู่ในใจนะมันถูกล้างออกไปอะมันก็สบายไม่มีแต่ก่อนทําไงแต่คนตั้งไหนตั้งพวงเวลาคิดถึงเรื่องตัวนี้ไปทํำลายฟานอาทิบาเองนันไม่มีหยดน้ำหยาดน้ำหยาดน้ําที่เชื่อมกุศลแผ่เมตตาแผ่เมตตา <c oughs> แผ่เมตตาก็งั้นๆแหละตัวม่มีอะไร ทำใจให้ใจมันสงบเพื่ออะไรเพื่อจะทำสมาธิเพื่อมันเกิดวิปัสนาญาณ น, นี่แหละจริงๆเนะี่ะเมื่อมันเกิดวิปัสนาญาณมันจะไปล้างอันนั้นแนะ่แต่ถ้าไม่เกิดวิปัสนาญาณแต่ไม่ตามไม่อยู่เอาไปมาพอนั่งสมาธิไปกดนั่นกดนี่ทำสมาธิกายเป็นลูกนะั้นลูกนี้เป็นหบาปเป็นกรรเป็นมัวเป็นควายโอ้โหอาขอ้ปะเป็นมาเนะี่เป็นลูกนั้นลูกนี้ยิ่งไปปฏิบัติกับสำนักหนึ่งก็ยิ่งนะเข็ไปเขาไป ห, หายใจเร็วเข้านะ ได้การระบบสกติกริงคือเร็วเร็วเร็วเร็วของเนื้อหาใจเร่งเท่าดีเขาก็ไม่ไม่ให้เป็นมีเวลาคิดเลยเอาไปทาไหนก็ตึง้งก็ดีนะเป็นสมาธิแบบระบบสกปกจิงก็เห็นภาพเห็นไม้เห็นยมทูตไหมอยู่ทั้งสองข้างนั่นแหะมีเขาขึ้นมาเอามาเริ่มเห็นนะทีนี้คือสมาธิมีเรามกดจิตแล้วมันมันลากไปทางไหนก็ ไ, ได้เริ่มเห็นละเห็นไหมมันนี้ทำเก่าไหม เคยฆ่าวัวไหมฆ่าควายไหมเคยเห็นเห็นวัวเห็นควายเห็นอะไรเมื่อกี้นึกไปนะ่ะสมาธิมันคือจิตมันไม่ได้สะอาดนะแล้วมันพวกนี้มผลขึ้นมาแต่ผ่านอารมณ์อุปท า, านอันนี้เมื่อไรเกิดภาพนะั้นอันนี้ก็มาเห็นโลกในนี้นปะแต่พุทธพื น, นะเห็นแดีตแต่ชาติตัวเองเป็นภาวาเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นทุกข์นะอันนี้ไม่ได้สลายนะแล้วพวกนี้จะกลัวความทุกลัวบากพวกรรมมากแต่มันกลัวเพราะมันไม่ได้เห็นแจ้งแต่เห็นด้วยอุปาทานนะจ้า เจอที่อุปทานมันก็ติดอารมณ์แต่ถ้าเจริญสติสติมั่นคงรู้แจ้งเรื่องรูปนามขึ้นมามันก็จะสลายอันนี้เอ้ามันล้างออกไปได้เคยไปทำอะไรอย่างไงที่ไหนเนี่ยมันไม่ไปทุกกับสิ่งนั้นไม่ได้ไปจดมาจําให้มันเกิดอารมณ์โมนิทุดาขัดเคื่องอีกมันแต่เพระเปลือกที่มันมาห่อหุ้มจิตเราเนี่ยคือสมัยตัวเราอย่างน้อยนะจิตเราไม่ค่อยมีความคิดอะไรสมัยนั้นมันไม่ค่อยคิดอะไรนะ แล้วไอ้พวกอดีตเนี่ยมันเปนไปหุ้มจิตสมัยนั้นเอาไว้นี่มันชั้นไหนเนี่ยชั้นไหนต่อมาเราโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ชั้นนอกไปหุ้มก็ไปอีกระดับนึงนี่ต่อมาต อ, น, น, ตอ น, าานเนี้ยตอนทําการทํางานนี่อารมณ์พวกนี้เขาไปหุ้มอีจังหวะหนึ่งเนี่ยปฏิบัติทำในเราสลัดอารมณ์ปัจจุบั น, นออกไหมนี่เดินจะกลมไปสลัดออกมาคิดมาทิ้งไปคิดมาทิ้งไปอดีตการงานทิ้งไปปล่อยวางไปเราจะรู้สึกโอ้ไม่ค่อยคิดถึงอดีตเลยนะตอนเนี้ย การงานก็ไม่ค่อยคิดแล้วเลือกปล่อยวางไปแล้วแต่มันจะเริ่มลงไปลึกมันเปลือกชั้นในอีกหละในอดีตนีสมัยอายุที่ผ่านมาเป็นหนุ่มเป็นสาวขยับลงไปเป็นวัยรุ่นเป็นไหแต่เนี่ยมันจะเริ่มเห็นระลงแต่พอเห็นแล้วมันกระดับนะเห็นแล้วกระดับเห็นแล้วกระดับไม่ใช่เห็นแล้ติดความคิดนะแต่เห็นแล้วก็ร้องไห้เสียใจนี่ยแสดงว่าสติอ่อนสติอ่อนเต้องมาลึกลึกรู้ใหมบางทีลึกลึกถึงพ่อถึงแม่ ถ้าถึงพ่อถึงแม่คิดถึงคนนั้นก็นีอย่างพองยุบเนเวลาเราไปปฏิบัติธรรมพอมีสมาธิสติสมปะเขาใส่ไซโคโทนันทีเลยทําไงสอนเรื่องบาปเรื่องกรรมเลยทีเนี้ยเรื่องมนุษยเรื่องสวรรค์เรื่องอดีตชาติเรื่องอะไรนี่แน่ก็เป็นระบบสะกดจิตแบบหนึ่งให้เราเป็นลึกอันนั้นเน่ยพรจิตสงบแล้วมันก็ไหลไปทำเนี่ บาปนะสมัยนั้นพระโมกขาลาเป็นอย่างนั้นนะพระในนี้อาบุปผกรรมอะไรนี่แต่มาว่าให้ฟังโน่นี้จิตแล้วก็ติดพัวเนี้ยแล้วเขาละกลัวบาปกลัวกรรมอยากทาบุญทาทานกันยกใหญ่เลยเพราะกลัวบาปไม่ได้ทําบุญทาทานเลยเป็นโน่นเป็นนี่กรรมเก่าเป็นอย่างนู้กรรมเก่าวิ่งเราก็เชื่ออะไรกนี่เป็นชาตินี้ชาติหน้าชาติที่แล้วไอ้โน่นี้คือคือเราไม่ได้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงแต่มันเป็นอาการ ในสมาธิที่มันเลบลอเลอเนาะมาถึงก็เห็นชัดจะเห็นชัดด้วยอุปทานมันมีไหลและลอกนะั่นไหลระบบนะันอุปทานฉั้นบางทีเริ่มเหมือนกันเนะี่ยแต่พอจิตเป็นสมาธิแทนที่จะให้รู้แจ้งเขากับใส่สีใส่อะไรเข้าไปอีกแล้วก็ไปติดในดนั้นยีส์มันก็ออกไม่ได้มันไม่ใช่ปัญญาอะไรอันข้าสอนวันนี้เนะี่ยพูดวันนี้เนะี่ยลองทําดูนะถ้าปฏิบัติทำดูนี่มันใช่ไม่ใช่โยมสามารถพิสูจน์ และศึกษาเพราะกว่าชีวิตโยมจะตายเนี่ยมันนานอยู่ลกโลกพอสมควรหรือพวกโยมเมื่อยงกว่ามันจะตายได้มันสามารถรู้แจ้งได้อยู่และว่ามันจริงไม่จริงเนี่ยอันไหนจริงอันไหนเท็จเนี่ยปัญญาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมัาจะเห็นข้องมันเลยนั้นพอเห็นอดีขยับลงไปขยับลงไปเนี่มันโน่นแ่ละบางคนถ้าอุปมาเน่ยมันชัดเจนตรงที่หมอยว่าเวลาจิตเนี่ยมันชอบ ไปหลบอยู่ตรง น, นั้นหลบอยู่ตรง น, นี้มันไปหลบอยู่กับความคิดนะหลบกับอดี ต, ตชาติตัวเองเนระแวบไปตรงนั้นแวะไปตรงนี้เขาเร <verses> <defin> ียกว่าพบภู ณ, ภณที่อยู่ของมันมันชอบไปเจาอดีกเห็นไหมเวลาเดินจุกรมเนี่ยมันดึงอดีตึนน้นมาคิดข้างนอกมันไม่คิดแล้วเนี่ยใกล้ๆเนี่ใกล้ๆตัวการงานมันไม่ค่อยมาคิดแต่มันจะดึงอดีตเก่าๆนะ่ะออกมาแล้วเราก็ไม่เคยเห็นเน่ยเราก็ชอบกันแต่ถ้าสติเราเข้มแข็งนะดึงอดีตมาเนะี่ยมันล้างในตัวเลยดึงมาตัวไหนเหมือน <Jub ilee> ที่มาโยนมาใส่ไฟน่ะสติมัน <rene> มันคงระดับชาตที่มาหมอดไม่ไปหมดเออเรื่องนี้ก็ดับไปทเรื่องนี้ก็มีเพื่อเลืชีวิตเราเนี่ยเราลืมไปหมดแล้วตั้งแต่อดีตหรือมันก็ดับไปโยนมาตรงไหนฉีกมาตรงไหนไม่ต่นนั้นไม่ต่นนั้นไม่ทุกวันทุกอันทุกอันไปเรื่อยๆมันไปทําอะไรไว้ทําบาปทํากรรมอะไรที่ไหนมันไปติดอกติดใจเกลียดใครชังใครรักใครชอบใครเนี่ยมันจะล้างไปหมดแล้วก็เป็นความจําที่เป็นธรรมชาติที่เนี่ย รู้เวทนาสัญญาสังขาดนี่ยเลืกรู้ธรรมดานะแต่มันไม่มีอารมณ์น่ะอารมณ์นั่แหละที่ทําให้เราเป็นทุกข์นะเขาเรียกว่าอุปาทานแต่อุปาทานนี่มันจะถูกดับไปแต่มันจะเหลือความจําที่เป็นธรรมชาติมากที่นี่วความจําที่บริสุทธิ์อย่งยงงางหลวงตาพูดเรื่องอดีตเมื่อกี้เอามาพูดในฟังเข้าสามัย น, น, นั้นนี่มันก็เป็นอดีตที่มันมันไม่ได้เป็นทุกข์นะอดีตนี้มันเป็นบริสุทธิ์เนี่ยเลึกรู้ขึ้นมาเอามาพูดในฟัง ใครจะเอาไปย่อเยอ้ถามทางคนนั้นนี่นนสบายเลยไม่มีทุกข์กับอดีตตัวเองมันปล่อยได้วางได้เจยสบายถีดนั้นก็เหมือนกันพวกเรานะ่ยปฏิบัติทำอันดับแรกก็คือจเจริญสติให้มนะันรู้รูปนามให้สติอยู่กับปัจจุบันนะทำให้มันชัดเจนพอสติอยู่ปัจจุบันชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นลึกลึกรูกก้ตัวปุกพีนิวาสานุสติญาณ ยานยานยานยานมาจากไหนยานก็มาจากความมันแปลว่าความรู้ก็ได้แปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมก็ได้และลึกรู้เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากสติสติมีมากขึ้นมากขึ้นเหมือนเราในแต่ควอนเป็นเด็กต่อมาในเป็นหนุ่มเป็นสาวยานระดับรู้รูปนามเนี่ยคือมาระดับเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่เนะี่คือจากสติมันโตธรรมดาขึ้นมาเป็นสติแบบหนุ่มสาวแล้วมันจะเกิดทํางานอันนี้ได้ จำละล้างอดีตตัวเองนี้ได้ม่อก็จะจำใส่แต่เราไม่ทุกขาะอดีตเลยทีเดียวส่วนนั้เวลาทําสมาธิจะติดอดีตตัวเองแต่ถ้าปฏิบาาัติทํารู้อารมณม์นี้ปุ๊บอดีตไม่มีครับไม่ทุกขาะอดีตนะอดีตมีไม่มีแต่ว่ามันไม่ทุกขาะอดีตไม่มันไม่มีอุปทานนะแต่มันจะผ่องใสธรรมดาเฉยๆื่อทีมันประทับใจนะชีวิตนั้นพระกรรมฐานส่วนหนึ่งเนี่ย เวลาท่านรู้อารมณ์มันี้แล้วท่านสบายใจท่านทุกเพราะอนนี้มานานสิ่งเนี้ยมันทําให้ท่านเป็นทุกข์แต่พราะท่านดับทุกคนนี้ท่านชอบเล่าอดีตให้คนฟังอดีตะทํามาเป็นงชั่วมากนะโยมนะขนณะอาตมาชั่วอย่างนี้นี่เล่าให้ฟังให้ฟังอาตมาคืยังผลนทุกได้ทําต่ยังทำได้โยมน่ยมีแต่ความสุขความสบายชีวิตโยมดีอย่างอะไรดียโยมไม่กลัวอะไรนี่ปฏิบัติเถอะตั้งใจเถอะทำได้โยมจะเข้าถึงทำได้ ยกตัวอย่างมาให้ฟังอนามีไปอา้าวจะเข้าทาเหมือนกับจิตนี้จะก่อนน้นวิ่งว่อนไปแต่พอจังหวะหนึ่งสติมันจับจิตได้มันมีพลังอำนาจพอที่จับจิตมาบีบค อ, อมึงกินอะไรเข้าไปอาเจียนออกมาเดี๋ยวนี้สติมันก็เกิดอาเจียนอาเจียนความคิดออกมาความคิดในอดีตคขาเรียกว่าปุกเพนิวาสานีอย่างลิกลเขาเรียกว่าภาษา ทำนะนี่ว่าสำลักกีเลสสำลัก บ, บ้างไดอยังของเราดิบางทีเดินไปจนเมาหากักแตก่ข้าเทียไม่ใช่สำลักกีเลสไนั่นน่ะพลันั้นน่ะมันจะสำลักไส้น่นน่ะคนละเรื่องกันกีเลสเป็นแบบหนึ่งนะกีเลสก็คืออารมณ์นั่นแหละโอยอารมณ์นี่ก็ออกมาโ อ, อ, าอานหมิงก็มีด้วยเลยไ อ, อย้คนเขาจะเห็นนะเห็นภาพในอดีตเราอดีตถ้าจะเกิดมานี่นะ่ะอันนัออ้นก็ออกมาอันนีออก้ออ ก, อาาก็ออกมาก็สบายสบายแค่ใค่ว่า แต่ก่อนนี่ยเราไปปรุงแต่งเราไปคิดถึงอดีตถ้าคิดถึงอดีตมันจะปรุงแต่งแล้วมันจะรักจะชังจะโพอใจเสียใจดีใ จ, ใจพวกนี้มันเป็นความคิดนะนั่นถ้าสติไม่มีมันจะไหลไปกับความคิดแล้วเราก็ร้องไห้เราก็ลหลั ว, ลวหัวเลาะบางคนเดินจุคงไปก็ยิ้มก็มีนะนตาห ม, มองยิมไมดีคนขึ้นมาบางทีคนน้ํ า, าตาไหลแต่อย่าพยายามหยุด อย่าไปนั่งจ้องอย่างเงี้ยดูโศกเศร้ากับอดีพยายามสร้างความรู้ตัวให้เยอะๆรู้สึกตัวเยอะๆทำให้มันมากๆลูตามมาอยู่ที่เชียงรายนี่แต่ก่อนลูกตาอยู่ที่อยู่ใต้รอยตุงลหลวงพ่าจะมีสูตที่เขาเพาะพันต้นหน้าหัวนะ่ะปีสามสาวนานแล้วนะเดี๋ิวจเล่าให้คนฟังนีดหน่สมัยโน้นน่ะสมัยเขายังไม่ปิดสะดือพระมหาเศรษฐีนนะ่ะ ไปเห็นเนอะผู้่ยวชาญที่เห็นรมางมันจะสะดือท่านไหมเพราะสังกรัดใจน่ะอยู่บนพระธาตุโดยตรงน่ะรูสะดือเท่าบาทเนี่ยแต่ความคนไปขออะไรก็จะจับอธิฐานแล้วก็โยนเงินพกเข้าไปนะแล้วเข้าไปนีื่อยๆเรื่อยตอนเย็นๆมาลุงจ๋าก็เดินมาดูดูอะไรดูพระเขาเอารถเข็นลงมาใส่เหียญมีพระองคี่ปีนี่คือไปแล้วก็โกยลงมาวันหนึ่งได้เป็นเยอะ ทีนี้มนช่วงนั้นช่วงนมันปีสามสี่โจรขึ้นไปทีเนี้ยมันมารอพ้อนพ้นเงินสะดือพระนะเจเจนะพระกำลังโกยเอามาอยู่ยอะมีอะไรเอามาห้าสิบตังเขาปล้นนะพระก็เกิดหงวงเนะี่ยหงวงเงินเหรียญ น, นะนะั่นแหะเงินในในสะดือพระนะก็เกิดการต่อสู้กับพระตว่าโจนยิงพระตายไปหนึ่งหรือสององค์ที่ประชุมจังหวัดคณะสงฆ์ด่วยทาง ตำรวจเท่าเลยมีมติปิดสะดือพระใช่ไหมเพวาเธอจะรู้อะไรเกิดไม่ทำปิดสะดือพระมหาใจใจนั่นที่บนพระธาตุดยตรงเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาย้ายออกนะขายายออกเขาจับขยายบนขึ้นไปครั้งก่อนเขารู้สึกขายายไปอยู่ใต้ใต้คือเขาใหญ่ขายายฐานขายายเลยทั้งหมดนี่แล้วเขาไปจิตอยู่ตรงที่ป่านะขึ้นไปไปเปิเปดผ้าดูดิพวาเธอเปิดผ้าเขาดูสะดือหน่อยนะหลวงพ่อหลวงตาพูดจริงหรือเปล่าลกโกหก เปิดดูจะเห็นหรอกเขาเอาปูนซีเมนทาไว้ของอาจารย์ส่วนเห็น ไ, ไหมพระเนี่ยเนี่ยลกึกอยู่เลยแต่ก่อนพระอาจารย์ส่วนเจ้าของฉายาประหลัดฉิท่านมาทำมอยเท่ า, หามหร่ไปเจอตอนนั้นก็อยู่ในนั้นแล้วดูโอ้เขาเป็นนี้ปนะนเงินสดีพระไปเห็นวัดโน้นวัดนี้ก็าทำใหญ่โตไปที่วัดไหนเปลียนว่าเขาไม่ทำสดี นี่ทำสะดือแต่ก่อนมันขึ้นไม่ถึงมันต้องฟว้างมาเลยห้าบาทสิบาทมัเต็มสะดือหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งคนขึ้ไปเที่ยวน่ะต่อธิษฐานเอาโน้นเอานี่ท่านจะให้อะไรเราได้คนตามไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่าจริงๆก็คือให้ความรู้สึกที่ดีกับเราเฉยๆแต่ไม่ได้ท่านไม่อธิษฐานไม่ได้ให้อโนนนั่นนี่กับเราไปขอนั่นขอนี่มันขอให้ไม่ได้หรอที่ศาสนาไ ม, ไ, ไม่ได้สอนเปนแบบนั้น มันไม่ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างนอกเราเนี่ยศักดิ์สิสทธิ์ที่สุดสิ่งเหล่านี้มันเป็นภาพเป็นพสเป็นความรู้สึกเป็นคำพูดอนะไรน้มันฝังอยู่ในใจอพอเกิดอารมณ์เนี่ยเกิดนิพพ า, านญาณนี้มันจะเกิดการอาเจียนผลนี้ออกมามันจะออกมาออกมาแล้วเราก็ไม่ทุกข์คือการสํารลอกอดีตตัวเองนะออกมาเนี่ยก็จะสบายเลยทีนี้ แต่ว่าถ้าเราเอาใส่ใหม่ก็เป็นทุกข์เพะอันใหม่นะแล้เก่านี้ก็หายไปแต่ทีนี้ปฏิบัติทําให้เกิดยานที่สองทีนี้อันยาณแรกเนี่ยเราทํายังมันจะทําได้ยกเจริญสติให้อารมณ์วิปัสนาตัวสติบางคนรู้วันเดียวก็เป็นเลยนะนี้มันหมดภายในวันเดียวแต่บางคนก็รู้ทีละน้อยรูปนามมันไม่ชัดก็ทำวันนี้วันที่สองที่สามทำไปเรื่อยๆปีนี้ปีหน้า ทำต่อมาต่อมาอารมณ์รูปน้ำก็ชัดขึ้นอดีตก็ปุดมาม ก, ก็ล้างล้าง้าง้ า, างไปแล้วก็หมดไปอันนี้แต่บางคนพอรู้แจ้งรูปน้ำมันขึ้นมาเลย น, นี้แล้วก็ดับได้ภายในชั่วโมงนั้นแล้วก็ขึ้นอย่างที่สองนี้เยอย่างบระพุทธเ้าเท่านรูปป้ปภูเพนิวาสานุสีญาณในปฐมมยามพอตอนกลางกลางมัชชิมยามท่านก็เกิดภูเพนเกิดจิตุปาตญาณ สายมาวันต่อมาก็เกิดอาสวัขยยานขดดับทุกภายในวันเดียวแต่บางคนปฏิบัติทําได้ปีหนึ่งได้ผูกเพยอย่างเดียวแต่ว่าบางคนมันก็ไม่ชัดนะถ้าคนไหนที่ที่รู้แจ้งวันเดียวแล้วมันชัดนะเกิดลูกเพย์นิวาสิสารเสียเกิดแจ้งของวันมาชัดภายในวันเดียวเนี่ยเขาประทับใจและเขาจะอธิบายได้ดีมากแต่บางคนนี่มันจะค่อยๆเป็นนะมันค่อยๆซึมบางคนมันไฟไหม สมมติว่ามันมีเครือมีเถาวันเนี่ยมันผูกต้นไม้ขึ้นสูงๆเนี่ยแล้วเราตัดแล้มันตายวันหนึ่งเวลาเราจุดไฟแล้วมันไปติดลุกพลกทันทีเลยไม่ว่าว่าว่าว่าขึ้นไปตายเลยเซกามีบุคคลหนึ่งก็คือจุดหน้าแล้วก็ค่อยติดมันไฟไม่แกลบนล้วค่อยๆไหมขยับไปไฟไม่ขอนขยับไปขยับไไหมเหมือนกันแต่ลูกแบบการไหมมคนละแบบกันเอ นนคนรู้แจ้งแบบฉับพันกับคนหนึ่งรู้แจ้งแบบค่อยเป็นค่อยไป น, ะนี่กายค่อยเป็นค่อยไปนี่กายถึงไทนแค่เขาถึงเขาแต่กับมนี่กาย เ, ย เ, ยายเส้นแบบโดยฉับพันแบบนี่กายลินใส่จนะคนละภาวะนั่นเขาว่านี่กายเชื่องช้ากับนี่กายฉับพันนั้นมหายานเขาจึงประเภทที่รู้สึกตัวเท่าพร้อมได้มาก ทำยังไงก็รู้สึกตัวของเรานี่ต้องรับศีลต้องนั่นก็มีต้องสามารถทา่านต้องค่อยเป็นค่อยไปถ้าค่อยเป็นค่อยไปนเขาเรียกว่าพูดกินในยาดนในยาด น, นี่คือพูดได้ทีละน้อยละน้อยคือนั่งสมาธิวันนี้ก็ตอนเช้าเราตื่นมาเจอตีสองแหละลุกขึ้นมาแต่ก็นั่งทีแรกก็ดีอยู่นะแต่พอมาถึงตอนตีห้านี่สงควรแกวีเราค่อยๆออกจากสมาธิตอนนี้ก็จะเริ่มได้สติ่า พวกเส้นพวกอะไรเขาเขาไม่นิยมหลับตาจะเป็นหลับตาเขาบอกว่ามันได้น้อยสติเนี่ยสติมันน้อยมันเป็นหินในยานหินในยานคือยานมันได้น้อยมันได้น้อยหินนะเดียวแปลว่าน้อยแปลว่าต่ําแปลว่าเล็กแปลว่ากระเอยร่อยของเขานี่ยมหายานมหายานคือมันยานใหญ่ยานมากยานมากคือเขาบอกว่าไม่ต้องหลับตาเดินๆนั่งนอนไปไหนนี่ก็มันรู้ไปเลยเลนลึกรู้เลยทำให้มันต่อเนื่องเลย ดูเลยดูกายดูใจทุกจังหวะนะไม่ว่าจะรับศีลไหมรับศีลอนะไรต่างๆ น, นี่ขอเราเนี่พระไตรปิฎกสอนว่าอย่งางเขาบยจะไปยุ่งกับพระไตรปิฎกนะฟังกูพูดเนี่ยนะ เ, เรียกว่าอาจารย์ลิยว่าคือฟังอาจารย์พูดบางทีบางคนพอาจารย์นรกในพระไตรปิฎกเป็นยังไงเอ้ไปเชื่อทําไมพรนะไตรปิฎกฮะแล้วไปเชื่อที่ไหนล้วอาจารย์อาจารย์าจะจับไม้เท้าตีพวกหนูเลย เอาอาจารย์ถามเรื่องนรกทำไมมาตีลุกขึ้นจะซัดอาจารย์อาจารย์เดี๋ยว่าเอ้านั่นไงเห็นไหมนรกของแท้น่ะที่มันโกรธนั่นแนหะอารมณ์มันเกิดในานรกของแท้น่ะเกิดอยู่ตรงนั้นนะ่ะเห็นซะดูเข้าไปนะพอดูก็สว่างว่าว้า อ, อาจารย์สวรรค์ก็อยู่ตรงนี้มิพรานก็มีแล้วเนี่ยเนี่ยเขาไม่เชื่ออาจารย์ที่เป็นปัจจุบันผู้มหา ย, ยานเขาไม่ให้ไปยุ่งกับความทีตําหลับตาลาสมัยโน้นสมัย เขาทหมอหนี้กายฉับพันเนีไยมันไวจเจริญสติพวกเซนญี่ปุ่นเนี่เขาเขาเรียกฐานวิธีการหลงพุทเธียนี้เพราะเซนแหน่งสยามปฏิบัติทำไเรื่อยเจริญสติหมันเป็นเร็วแต่หลวงตาเขาไม่ใช่หรือเป่าฝันนี้เราจะไม่เป็นนะหรือมันต้องเจือคอนสักรุ่นสองรุ่นขวัญนี่น่าจะได้คืออ่นนองที่เขาเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องระเบียบเรื่องวินัยเอโนรดี เพีแต่ว่าเรลึกรู้แล้วทำให้มันต่อเนื่องทั้งน้เองฝ้าดูจิตใจภายในเนี่ยทีนี้เราสะสมตัวรู้นี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วแต่ว่ามันจะเป็นตอนไหนจะอาบน้ำอาบถ้าจะทำอะไรก็ตามมันสามารถตื่นโพงสว่างขึ้นมาได้ทั้งนั้นนะพระองค์อยู่อยู่เคยอยู่ด้วยกันปฏิบัติทำไม่รู้เลยทำอะไรก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้ปฏิบัติทำทำมิรเดอดติกมเดเดยนาราบวดที่หมด เลยเข้าไปห้องน้ำพอเข้าไปห้องน้ำมันก็จะล้มเนาะห้น้ำขามันปวดไปหมดเลยท้านเขาว่าอาการที่ผมรู้แจ้งน่ไม่เหมือนใครตอนนั้นเกิดขึ้นขณะที่มือจับขันมือจับขันเท้ายันฝาขาทิ้งโอ่งแ <c oughs> ล้ว อ, อยู่ๆกําลังจะอาบน้ำมาแจ้งขึ้นมารู้จักอนัตตาขึ้นมาจะดีแต่ก่อนไม่เคยเป็นไม่เคยรู้แต่ยอยู่จะอาบน้าเนี่ยมันเป็นอะไรนีขึ้นมา โอ้แต่ประทับใจมากเวลาท่านเล่าเอาแตา่นี่คนฟังกกประทับใจเลยคยิ้มนะพลรมดีคือแล้วแต่ว่ามันจะมันจะปรากฏตอนไหนพุทธภาวะเนี่ยาการรู้รู้แจ้งเนี่ยมันจะปรากฏตอนไหนไมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราไปคาดคะดีไปดนเราไม่ได้แล้วจะบอกว่าเธอดวตาดูแล้วนะเธอก็จะบรรลุแล้วนะแล้วก็ดีใจแล้วว่ากุณเจ็บบรรลุแล้วเนดะ็กหายจ้าอัไม่มีอย่างเธอเนี่ยงูแทบตายไม่มีทางได้บรรลุหรอก ท่าว่ากูไม่บรรลุกูก็ไม่ปฏิบัติละเว้ยยังไม่บรรลุอีกนะทีนี้ทั้นมันก็ไม่พูดอะไรไม่ได้จะบรรลุไม่บรรลุนี่ขยันทําเถอะคนไหนที่จเจริญสติมันก็จะเป็นเน่ะมันก็จะรู้แจ้งมันก็จะเป็นไปได้บางคนก็รู้แี้งว้าเว้ยหมอาจารย์อาจารย์ผมเห็นแล้วเห็นแล้วอนัตตาผมเห็นแล้วสุญญาตาผมเห็นแล้วจิตว่างไม่มีทุกข์เจอแล้วความพ้นทุกข์หมดเป็นอย่างนี้เนาะอาจารย์เนอเห็นแล้ว อาจารย์กําลัง น, นั่นั่นจับรองเท้าขอดแล้วจะเท้าตกเข้าโกเอ้าอาจารย์ทํานี้ได้ยังไงเนี่ยผมมาเล่าเรื่องประสมบการณปฏิบัติทําไม่ฟังดันไหวงั้นนี้นะอาจารย์ฟาดอีกที่นึ่โปรธอาจารย์นะจะลงห ม, มัดอาจารย์คืนไม่ง่ายอาจารย์นะถ้าไหนว่าจิตว่างแล้วจิตว่างแล้วจะตีอาจารย์คืนแล้วเนี่ยไหนบอกว่าเป็นอนาตานแสดว่าเธอเห็นไม่จริงนะเ น, นี่ย ไปทําใหม่ไปโอ้ไม่บอกของจริงก็ไปทําใหม่อีกอย่างนี้แล้วเขาก็เข้าใจมาอีกระดับหนึงว่าอาจารย์สอนมาทุกอย่งไม่หมดนะเธอเห็นนี่เป็นเบื้องต้นนะไปทําอีกยากมันยังลึกอยู่อะไรที่มันหนั ก, กหนักกระทบหนักหนักนี่เธอจะไม่ไหวเห็นนี่เบื้องต้นก็ท่านไม่อยากยกย่องนะว่าเออดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะถ้าดีใจด้วยมันจะเหลืงแต่ถ้ารู้สึกว่าปิดทุกอย่างมันจะไปทําอีกคนเรา นั้นอันดับแรกเนี่ยมันไม่ยากเท่าไรหร่หรอกโยมตั้งใจทำนกึกว่าจะเป็นไปทําที่บ้านก็เป็นที่บ้านทําที่โรงเรียนทําที่ไหนที่วัดที่ว่าที่ทําในสวนหรือตือน่นมาเดินไปกลมเล่นๆไม่ชี้องค์หนึ่งแก่แล้วแหละเลยก่อนดงตาไปแสดงธรรมไปแสดงธรรมสมัยก่อนนี่ไปอาจารย์พรอครูสุรศักดิ์วัดแม่หิยโยงนี่ ก็ยังเดินไปหาเที่ยที่น้องที่นี่กับเนนอยู่นะที่ยุธยาเนีไปเจอกันบ่อยๆเมืกอก่อนท่านก็ไม่ได้โด่งดังคนจนป่านนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวนี้เข้าไปหาท่านยากแเจ้าคนสมัยก่อนยังไม่ดังก็ยังดีเหม่อแต่พอดังแล้วก็ก็อย่างม่ามันจะยากคือทุระหน้าที่มันมีหลวงตาถ้าดังนี่ก็เดินไปดูโยมไม่ได้แล้วนี่อันนี้มันไม่ดังก็เลยพอตัดเดินไปได้ เขาไปสอนเขาไปบอกคนนั่งคนนี้ได้เอาไปโย่คุยด้วยเอาไม่ที่ลืมตาขึ้นเดียังเดินไปได้นะแต่ถ้ามันดังแล้วก็ไม่มีเวลาไปแล้วนั่งพิงหวอนจะเป็นพร อ, อยากโยมาจากไหนเอามันมันขยับไปไหนไหมนะ่แล้วพราะอยู่ใกล้ไม่ได้ไปดูพระดูโยมอะไรแล้วนี่ก็ยังดีหน่อยเนี่ยเอาตัวรอดมาได้หลายปียังไม่ดังพวกยังพอปกครอง อย่าโยงไปทีนั่นทีนี้ก็ยังเจอกันได้อยู่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราผ่านลารมตัวนี้ไปส่วนมากคนดีใจนะทำมันนี้ได้ดีใจภูมิใจแต่ว่ามันก็ยังมีอีกอะจิต ท, ที่มันพยายามไปอนาคตนะ่ะเรายังดับไม่ได้ทือทีแรกคือหยุดอนาคตได้ระดับหนึ่งมันไม่คิดไปแล้วไนงะแล้วมันก็จะลงไปย้อนอดีตแต่พอดับอดีตไปที่มันเคยมีอะไรต่อไปเราจะทำํำไงเราจะกินยังไงเราจะอยู่ยังไง ชีวิตนี่จะทํายังไงจิตจะมีเงินงมีทองอ น, นาคตและลูกเราก็ไม่มีหลานเราก็ไม่มีทําไง น, อน้อหนิคิดถึงพ่อถึงแม่ถี่นอ้งนองยางง่อนี้อย่ารับใช้แบบบุญคุณเนาะ น, นี่จิตมันจะแวบไปทางนั้นอยู่นะทีคุณต้องมีปัญญาอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาดับตัวนี้อีกเหมือนเหมือนกับการรู้แจ้งอดีตเมื่อกี้นี่นแหละเรียกว่าจุดตุกปัญญาณถือเห็นการเกิดดับในจิตที่เป็นปรารมัตนี้ให้ได้ คือการรู้ขันห้าในแหละการที่เฝ้าดูฉิตเห็นความคิดเป็นบ่อยในแหละเห็นมันอยู่เรื่อยๆมันจะมีจังหวะที่มันดับหรอกบางทีก็ปลามัดตื้นๆนะคือคือทีแรกเนี่ยเห็นมันคิดมาแล้วก็ดับมันคิดมาแล้วก็ดับมันมันคิดมาแล้วก็ดับคิดมาจะดับคิดมาจะรู้สึกตัวคิดมาซึตัวัดคล้ายๆว่าทิ้งบ่อยๆจังหวะหนึ่งมันจะเหวี่ยงไปได้ไกลเลยพอความคิดเกิดขึ้นสติตัวรู้มันมั่นคงเลยมันชนกับกับความคิดเนี่ย แล้วมันจะเกิดการสปาร์ขึ้นมาสว่างแจ้ง mm hmm. เมื่อก่อนนี้แจ้งหน่อยๆเข้าใจโอ้เข้าใจแล้วมันจะโลง่ลงๆแต่มันไม่ใช่การเกิดดับที่แท้จริงอันนี้ความคิดเกิดและกระดับความคิดเกิดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสมมติแต่บางทีเวลามันเข้าใจอะไรสักอย่างมันก็สว่างขึ้นมานกันในจิตนี่แต่ว่ามันไม่พอที่จะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพังขยานหรือเป็นอุทยพย า, ยาน ภาวะอันนี้มันไม่ถึงมันจะได้ไม่น้อยเลยเหมือนแสงไฟนี่ระหว่างแสงแตะเกียงก๊อกกับแสงไฟแก๊สหรือว่าแสงไฟฟ้าหรือดวงอาทิตย์ที่มันจะต่างกันเลยมันเป็นไฟมันก็นสว่างมันก็จะมาคนลภาวะกันทีถ้าได้ได้ไฟที่เห็นเห็นการจุติและอุบัติของจิตเขาแปลคาว่าเห็นการจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายที่จริไม่ใช่สัตว์ทั้งหลายที่มาจากข้างนอกนะ ได้เป็นสภาวะอาการของจิตที่มันเป็นสัตว์แหละที่มันปรากฏในจิตเราเนี่ยคือมันยังมีความทยานอยากมีอำนาจพิดสงของสัญชาตยามที่ยังปรากฏอยู่ในใจเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าสัตว์ภวะนั่นเห็นการจุติจุติแปลว่าอะไรจุตุปาตยานไม่ได้แปลตามตัวอักษร น, นะเนี่ยจุติแปลว่าว่าตายว่าเราเรียกว่าเกิดนะ เพราะมันอยู่ใกล้กันนะภาวะสองสภาวะนี่ยอุบัติจิตตุปาตยานอุปาทะคือการเกิดขึ้นของปัญญาจิตกการเห็นการดับไปของอวิชาาวชาอาวิชชาอาวิชชาเพราะไอ้ที่มันไม่รู้เนี่ยมันลืมอยู่เรื่อยนี่นะปฏิบัติทำแล้วมันลืมอยู่เรื่อยลืมอยู่เรื่อยแล้วมันไม่รู้แจ้งอยู่ๆไอ้ตัวไม่รู้แจ้งก็ถูกดับมุกไปเนี่ยแล้วก็เกิดอุปาทะคือ เกิดเป็นความรู้ตัวทูบล้องคืนมาแทนแต่ภาวะอันนี้มันจะมันจะดีมันจะมีพลังสูงกว่าครั้งแรกทั้งแรกที่เรารู้ลูกนามมันก็เป็นอาการแบบ น, นี้แหละแต่มันไม่ใช่อากาศนี้พลังมันไม่พอคือการเกิดปัญญาของผู้ศาสนาจะมีลักษณะแบบเนี้เกิดการรู้แจ้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเมื่อก่อนมันมันเป็นภาวะแบบนั้นรู้ล m, au, m, ูกน้ำก็เป็นแบบหนึ่งรู้ลูกนามรูกเป็นแบบหนึ่งเวลารู้แจ้งเรื่องสมมติก <ellow, S 2> ็เป็นแบบหนึ่งแต่มารู้แจ้งเรื่องเห็นการเกิดดับที่เป็นลักษณะของ ตัวะุดถูกประเดิพวกภเพนวาสาังปัญญบางทีมันก็รู้สมมติ ก, ก่อนบางทีก็รู้ <c oughs> ทุกในตายนี้ก่อนบางทีก็รู้รูปบางทีก็รู้ตัวท่วพร้อมขึ้นมาแล้วจิตมันจะเชื่อมโยงไปหาฐานกรีปัญญานี่ในเบื้องต้นแต่การเห็นการเกิดดับในขันห้าเนี่ยมันจะต้องเป็นภาวะที่เป็นอย่างเดียวกันจะจะไปรู้ตรงนั้นตรงนี้แล้วมาโมเมเอาตรงนี้ไปอะไรมันต้องเป็นเหมือนกัน ตัวจุตุปาตยานนะเพอเห็นการเกิดดับตัวนี้ก็จิตมันก็นดีขึ้นไปโน้นนะสู่ความเป็นอนาคามีจิตรเนี่เยเล่นไว้แต่ว่าคนไหนจะเข้าใจภาวะอันนี้จะทำตัวนี้ได้ตอนไหนนี้ท่างเองบางทีถ้ารู้สึกตัวทุกพร้อมบรรลุโสดาบันแล้วจิตอยู่กับปัจจุบันในระดับหนึ่งเขเรียก ว, ว่าถ้าทำอีกจเจริญสติไปสักพักนึงก็เกิด เป็นพระพระโสดา บ, บันเนี่ยสามารถทะลุไปสู่เป็นพระอหรหันต์ได้เลยนะถ้าเห็นการเกิดดับจังหวะที่สองนชัดเจนและจะรวมตัวจุดูปตัตยานี้บวกกับอาสวัคคายานเข้ามาด้วยกันเห็นสิ่งที่หมักห ม, มมอยู่ในจิตและสามารถชําระล้างออกไปพร้อมกับการเกิดจุดูปตัตยา น, นี้ได้เลยเขาเรียกว่าพระโสดา บ, บันในลักษณะเอกะพีชีนี e ่กับะพีชคือมีพืชในจิตอีกครั้งเดียวฟังดีๆนะคนที่เรียนอิธรรมมานะ มันจะไม่ตรงกังนดิคือบางทีเราไปแปลเป็นตัวเป็นตนเพราะตามลักษณะอาการของภาษาแต่เราไม่ได้เอามาเกิดจากสภาวะธรรมในจิตที่เราเห็นแจ้งมาอธิบายนั้นเวลาเวลาเราพูดเนี่ยมันจะบวกกับความเชื่อเดิมเราคนทั่วไปเนี่ยเรียนหนังสือเรียนในะพิธรมเรียนอะไรมันจะบวกกับความเชื่อเดิมเดิมมันไม่ได้เกิดจากปัญญาเห็นแจ้งมันจริงพลาดนี่ย จะปฏิบัติทำเนี่ยเราจะดูจากภายในเห็ น, หนาการมันวัดตัวไหนวัดตัวที่เราเข้าใจนี่แล้วทุกปัญหาเนี่ยทุกปัญหาด้วยความยึดท่านยึดมั่นถือมั่นโอเบทานนี่มันหายไปยี่ ก, กับพีชีพระโสดาบันท่านเอ๋ ก, กับพีชีหมายว่าหลังจากที่เขาเขาเลยลึกรู้ตัวสติมีแนละ้วเขาเห็นการการเกิดดับที่ทําให้ปัญญายานที่นําสู่ความเป็นโสดาบันได้แล้วเนี่ยเวลาเขาจเจริญสติอีกระดับหนึ่งเกิดการสว่างหรือไม่เกิดการรู้แจ้งอีกครั้งเดียวเนี่ย สิ้นสุดทุกไปเลยเคเรียกว่ามันมีพื้นอีกครั้งเดียวทํานี่มันก็ดับทุกไปเลยแต่บางคนสองสามครั้งโกลังโกละโกลังโกละคือต้องเห็นการเกิดดับวิหลายครั้งเกินการเกิดดับแบบปรมัตดเนี่ยบางทีมันก็ทําได้น้อยคือทํามันมันสว่างแต่ว่ามันสว่างน้อ ย, อยแล้วมันไม่ดับทีุ่กมย่ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะเเต่รู้สึกว่าความโลภปวดลงรู้สึกมันจางลงแล้วนะถ้แต่เกิดการรู้แจ้งนี้ขึ้นไปความสงสัยเรื่องนั้นน้อยลงนะ มานะราคาตัณหนาอะไรต่าเรื่อจางลงหน่อยแต่บางคนพอมันสว่างมันหายไปหมดเลยอะ่ะมันไม่มีฉั้นบางทีบางคนก็ทําอีกสักสองสาบางคนก็เห็นการเกิดดับเกินกว่าเจดครั้งบางทีแล้วในตำราเขาจะพูดว่าเออต้องมาเกิดอีกเจ็ดชาติก็มาเกิดอีกชาติหนึ่งแล้วมาประเพ็นในนี้ใหม่มันจะจําได้หรือสมัยก่อนบนรรลุธรรมแล้ว แล้วก็บำเพ็ญบา ร, รมีไว้หลังจากนั้นเขจะตายพอตายแล้วมาเกิดใหม่เขาว่ายินี่นตายแล้วมาเกิดใหม่เกิดใหม่ก็มาปฏิสนธิใหม่เอ้าสเปิร์มมาสุจีผสมกันใหม่ออกมาจากท้องพ่อท้องแม่มาใหม่แล้วมันมาจําได้ในสมัยก่อนมันกูบรรุทำมาครั้งหนึ่งแล้วนะเนี่ยว่ามันจะไม่มีหรอว่าม่มีหรอแในนี่มีใครบ้างไหะจําได้ไมีเคยปฏิบัติทำมาไม่มี หลวงตาก็มีเคยมีอ่ะไม่เคยยุบแบบนั้นนะเศากนั่นชาแน่นั่นเราไปเจอพวกนั้นพวกนี้จำความได้สมัยก่อนตา ม, มาเป็นพระพระสีอ า, <c oughs> พานพระนนพะนี่เวลาขมภูดโยอยถอยันดีเลยโยมยิบไปทางอื่นซะอย่าไปยุ่งกับท่านเส น, นว่าสติท่านไม่ดีเอาไปโรงพยาบาลซะไม่ปกติแล้วคือมันมันผิดปกติจิตแบบนั้นเลย คือมันต้องเห็นเห็นภาวะที่มันเป็นปัจจุบันเนี่แต่บางคนคําว่ามาเกิดอีกเกิดอีกคือเขาไม่ได้พูดถึงการมาเกิดรอดช่องคลอดออกมานะมาเกิดอีกแบบนั้นเกิดเป็นตัวเป็นตนเป็นลูกเป็นล่างไม่ใช่คือมาเกิดปัญญาเกิดการเห็นการเกิดดับนี่อีกครั้งนึงบางคนเห็นการเกิดดับไม่สองครั้ง3าครั้งเขาว่าเกิดเจชาติคือเกิดการรู้แจ้งเนี่ยประมาณสัก7ครั้งเนี่ยคุณก็ ดับทุกได้เลยบางคนเห็นเเห็นการเกิดดับนี่คืออยู่ปัจจุบันเป็นแล้วน่ะเกิดรู้ลูกลุ้นามมาแล้วก็สติมันมีระดับถึงแล้วเป็นโสดาบันคือประคองสติจิตตกกระแสขั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเราประคองรละลึกรู้ตัวต่อเนื่องจังหวะหนึ่งที่จำความเป็นอย่างพระ อ, อโมคคัลลานะนะพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านไปฟังธรรมะมาจากภาษาริบุตร ยีธมะเหตุปวาัวเจสงเหตุงตะธาถัตโตทุกอย่างเกิดแต่เหตุภาษาสดาสแสดงเหตุทุกอย่างมันเกิดมาจากใจภาษาสดาพูดถึงเว่ามันเกิดมาอย่างไงเกิดจากใจเนี่ยถ้าจะพูดเรื่องนี้ไปเฝ้าดูซะอไปเฝ้าดูปรากฏ ว, ว่าท่านสว่างแจ้งเกิดมานี่แค่ภาษาในบทเล่าให้ฟังนอุปติสระนันเล่าให้ฟังโกริตักเขาฟังแค่เนี้ยเาก็สว่างแจ้งเขาเป็นโสดาบันเลยก็ไปบุพระพุทธเจ้าก่อนจะบวชก็คือ กลับเวลาอาจารย์สันชัยลาสันชัยเวรัตถุปุตอาจารย์โม่เปไม่ได้หรอกลูกศิษย์ลูกหาเราก็เยอะเราก็ระดับอาจารย์แล้ว <c oughs> ถ้าจะไปเรียนกับคนนั้นคนนี้มันเหมือนว่าอ่อนเอว่ะเหมือนว่าไม่รู้แจ้งไปไม่ได้หรอกพ่อเถอดไปสักลุงตาออกนอกเรื่องใหม่นะตัวนี้หลวงพ่อสดรู้จักหลวงพ่อสดไหมใบ้านไหมในเคียงรายนี่น่ะสวดไหนล่ะ อสวดธรรมกายอสวดธรรมกายสักหลวงพ่อสวดวัดธรรมกายเนี่ยท่านทาเรื่องสัมมาหลักหลวพอสมควรในสมัยหนึ่งเนี่ยเขาก็ว่าท่านกระทำไม่ธรรมดาล่นะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเขาก็โยุนระเบิดที่โน่นที่นี่เขาบอกว่าที่ที่ไม่ถูกระเบิดคุกคามก็แถววัดปากน้ําำนะพ่อและพวกคงมีเหรียญมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ในโน่นนี่ไว้คนก็ว่านะ พูดนี่หมายถึงว่าท่านก็มีคุณธรรมระดับนึ่งคนก็ปฏิบัติธรรมด้วยท่านทำลูกแก้วสมาธิลูกแก้วแต่ต่อมาสมัยหนึ่งเนี่ยปัญหาของพระในเมืองไม่มีกรรมฐานกรรมฐานเป็นพุทโธเป็นพระสายวัดปากสายนวดในเมืองวัดบ้านในมหาวิลลยเขาไม่มีทำไงล่ะน้องพูว่าสภาพเดินส่งเจ้าคุณโชดกมีไปเรียน ที่พ่อมาไปเรียนพองยุกมาพอไปเรียนพองยุกมาปุ๊บเขาก็สอนพองยุกสมเด็จพระศรีเนคครินท่านก็ไปไปสอบไปไปเรียนด้วยไม่อะไรด้วยที่วัดมหาธาตนะที่หลวงพ่อสดนะ่ะท่านมีความรู้สึกว่าเอะไอ้สิ่งที่เราทําเนี่ยเราก็เป็นระดับแล้วนะั่เป็นคนผลิตขึ้นมานะสัมมาหลังเนี่ยมันก็ทุกข์มันก็ยังมีอยู่เราทำเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่เป็นวิปัสสนา หรื อ, อยังเป็นสมสถะได้ปฏิบัติถึงแค่นี้แล้วทุกทําไมมันยังมีอยู่ท่านเดินทางมาหาท่านมหาโชโดกหลวงพ่อมหาโชโดกที่วัดมหาธาตไม่ธรรมดานะต้องยอมรับนะยอมรับว่าที่จฐิของท่านเนี่ยเป็นพระกรรมฐานแท้ๆเลยหลวงพ่อสดเนี่ยมาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อโชโดกมันมีหนังสืออยู่ที่ท่านมอบรูปภาพแผ่นใหญ่โขเลื่อให้นะครับท่านเซ็นไว้ข้างหน้าว่าท่านได้มาเรียนกรรมฐานนี้มาวันที่นั้นแล้วปรากฏว่าเกิดความเข้าใจเปน็ปนี้แบบนี้เน่ยนะ ท่านก็มาเรียนด้วยเพราท่านก็บอกว่าท่านปฏิบัติทำมาได้แค่นี้ในนั่นเขาจะเล่าว่าพอท่านมาถึงนี่ท่านท่านทำสาดเยแต่ท่านจะกราหลวงพ่อโชดกกราบหลวงพ่อโรดกไม่ได้หลวงพ่อหลวงพ่อโชดกเขจะกล่าวนั่นหมาโชดกเนี่ยญาณสิทธิเรียนมาจากพม่าท่านเข้ามาแต่ที่วัดป่าเนี่ยท่านก็เลยมาเรียนเนนี้ด้วยปรากฏว่า ท่านก็เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังหลวงพ่อช่วยบอกท่านก็แก้อารมณ์ให้ว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้มันมาถึงจุดนี้ท่านจะพูดถึงเรื่องยาน16เรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังหลวงพ่อต้องทํานีท่านมีสมาธิดีอยู่แล้วไงฝึกสมถะมาดีท่านก็ปฏิบัติทำท่านก็เลยเกิดการรู้แจ้งเกิดความเข้าใจแล้วท่านก็บอกให้ว่าท่านได้มาปฏิบัติทำนี้ท่านเกิดความเข้าใจนี้ถึงนับว่าเป็นมีปรัสนาแท้จริงอะไอย่างนี้ในนี้ท่านสบาอาจจะอันนี้ความคิดเห็นเพิ่มเติม อันนี้อาจจะมีส่วนในการที่พอกลับไปเนท่านอาจจะบอกให้คนนั้นทําเรนี้อยู่ที่ปฏิบัติแบบนี้เด็อย่างโน้นอย่างนี้นะถ้าแน ะ, ะ น, นาให้คนนะ่ยในสนํ า, านักของท่านทํำแล้วมันจะเป็นมิตรสนะเพราะพวกก็ต่อค่าพวกไม่ค่อยพอใจนะพวกอบาสิกาขนกยกยงพวกนี้แตและกลุ่มหนึ่นที่เข้าไปบน่นละไรไปมาเขาก็เรื่องแย่ๆตัวออกมาแล้ว ม, มาทำมาทำการอย่างเงี้ย ต, ต่อมาท่านก็เสียชีวิตไปจริงๆท่านก็จะพลิกให้เป็ น, เ ป, นเป็นวิปัสนาจริงๆนั่นแหละในช่วงหนึ่งน่ยที่ผ่านมามันไม่เป็นแล้วมาพอมาทั้นเรียนอนนี้ท่านก็อยากให้ทําทําให้ได้ลึกรู้แบบนั้นแบบนีน้มันถูกต้องนะแต่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายญารามที่ราเบริดเปร่าอันนี้เป็นสติปัฏฐานสูตรทีเนี่ยศึกษาแบบสติปัฏฐานจะไม่ได้ศึกษาแบบธรรมกายลูกแก้วใส่แต่พวกนี้ก็เอาออกมาแล้วก็มาทําต่อเป็นเป็น การทำบรื่องวัดธรรมกายซึ่งหลวงพ่อศท่านไปแล้วท่านไปทำํำนิพพสนาแล้วเป็นอีกแบบนั้นท่านก็เป็นเจ้าลทัทธิคนหนึ่งะแต่ท่านเป็นคนที่ไม่มีที่ถี่มานะไงแต่พอพวกเราเนี่ยโยมคนไหนไปเชิญจเจ้าอาวาสมาเรียนด้วยได้เโอ้ธรรมากายจะให้หอยู่เรล่าสักหมื่นสักอะไรเนี่ยเจ็ดวันนี่นะให้คนที่ไปเชิญเนี่ยสื้อมองท่านไป ม, มาหรอกอยิ่เป็นเจ้าคณะนั้นจ้าคณะนี้ไม่มาน้อตาจะไปที่เชียงใหม่นีะมีนะ เชื่ว่าที่สันกเพนเข้าฝึกด้วยนะท่านโทถามอยู่เรื่อยๆทำอาจารย์เจษวันหลายเวลาเลยย่งเตรียมอะไรไปบ้าอะไรอย่งหลวงพ่อทุกมากนะหลวงพ่อนะไปนะั้นหลวงพ่อจะรอดหรือเปล่าไม่ต้องมาโู่หลวงพ่อไปเนี่นอนเนี่ยเราขู่ไปก่อนเพื่อท่านไม่รอดท่านก็จะไปท่านสู้ตายาท่ามาท่านเลยเตียมนั่นเตรียมนี่แบบคือท่านเป็นศูนย์ปฏิบัติทำอยู่แต่ไม่รู้เรื่องอันนี้ มีปรัชนาท่านท่านตั้งใจไปดวงตามก็มดีใจดีใจว่าพระเ ท, ะทะเระจะรยิด้วยจะ ป, ปฏิบัติธรรมด้วยเต่เพียวว่ามันไม่สะดวกเหมือนอย่างนี้เท่าไหร่กลัวท่านจะหอบมีกับมย่นไม่จะพูดอย่างไรลองดูจังหวะดวูดีนะพระไปนะพระองค์หนึ่งสอนธรรมะถ้าเกิดท่านเข้าใจธรรมะนะ่ขยายได้มากกว่าโยมนะ